สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแจ ก, กสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยแปดสิบสี่คอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าสิบเก้าขอโปรดยกบาปผิดของข้าพรงค์พีงครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกโทษบาปนะครับพระเจะาของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่ง ย้อนบทที่หนึ่งข้อที่สามทำให้เรารู้ว่าเราสามารถรับการอภัยโทษได้แต่เราต้องสารภาพผิดกับใจใหม่ถ้าเราไม่สารภาพผิดและกับใจใหม่เราจะสูญเสียความชื่นบานในสัมพันธภาพที่เต็มเปี่ยมมันจะขาดหายไปครับพี่น้องหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อสามย้อนเขียนอย่างนี้นะครับว่าซึ่งเราได้เห็น และได้ยินนั้นเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสทพระบุตรองค์เดียวของพระองค์โปรดฟังอีกครั้งซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีกับพระบิดาและกับพระเยซูคริส พระบุตรของพระองค์พี่น้องครับยอนนะครับซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูได้ประกาศถึงพระเยซูคริสต์และการอาเทโทษในเชิงสารนอกจากนั้นท่านก็ได้เขียนถึงการอาเทโทษในเชิงสัมพันธภาพครับคำว่าสามคีรรมภาษาอังกฤษชียกว่าแฟลโรชิปก็คือ ความเป็นเกลอกันความเป็นเพื่อนกันการเป็นคนที่มีความรู้จักสนิทสนมกันนี่คือความสัมพันธ์ในเชิงของการยกโทษบาปและขันให้อภัยครับเมื่อเราทูลขอการให้อภัยทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเราทูลขอในสองเชิงนะครับก็คือเชิงสารสารสถิตยุติธรรมนี่นะครับและอีกเชิงหนึ่งก็คือเชิงสารสัมพันธภาพ ในข้อที่สี่นะครับบอกว่าเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปรับปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมในขณะเดยียวกันท่านก็บอกว่าเราได้ประกาศให้ทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปรับปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพี่น้องครับสิ่งที่เรายินนั้นทําให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราต้องทำก่อนเป็นประการแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งความปรับปลื้มยินดีนุนจิตชูใจก็คือเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการสารภาพบาปของเราหนึ่งยอ่อนบทที่หนึ่งก็กลานะครับถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตว์เสือเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปผิดของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นในพระธรรมยอนะครับกิตติคุณยอ่อนบทที่สิบสามเกี่เหตุการณ์หนึ่งครับที่พระเยซู ส่งล้างเท้าสาวกองพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นตรัสถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าสาวกจนกระทั่งพระองค์ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุดเช่นเดียวกันครับพระเยซูก็รักเราจนถึงที่สุดครับท่านั้งที่พวกเรานั้นเต็มไปด้วยความผิดบาปสาวกของพระเยซูกฤตในสมัยนั้นก็เต็มไปด้วยความผิดบาปเหมือนกับเรานี่แหละครับไม่เพียงแค่เท่านั้นยังดื้อรั้น รังดันทุกรังด้วยนะครับเหมือนกับเราทุกวันนี้นะครับหลายลายคนก็ดื้อดานดันทุกรังแท้จริงแล้วพวกเขากำลังนั่งล้อมรอบเพื่อจะจกเถียงว่าใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นใหญ่เมื่อพระเยซูครอบครองเขาคิดว่าอาณาจักรในโลกนี้จะตกเป็นของพระเยซูในช่วงสองพันปีที่แล้วเขาคิดผิดครับและ สิ่งที่เขาเตรียมตัวต้อนรับก็ผิดเหมือนกันก็คือกำลังนั่งล้อมรอบกันและถเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ทั้งทงที่พวกเขาเอาแต่ใจทั้งทั้งที่พวกเขาเห็นแก่ตัวทั้งทั้งที่พวกเขาเห็นแก่ได้เอาแต่ได้ทั้งทั้งที่พวกเขาเฉยเมยต่อพระคริสต์ทั้งทงที่พวกเขาไม่ใส่ใจในการสิ้นพระชนของพระองค์ที่กำลังใกล้จะมาถึงพวกเขานั้นเอาแต่ทะเลาะเบาแวงกันครับ เย่อหยิงโวดดีและมีชีวิตที่น่าเกลียดน่าชังพี่น้องครับจะเหมือนกับองค์กรใหญ่ของเราหรือเปล่าครับหรือเหมือนกับสถาบันของเราหรือเปล่าครับหรือเหมือนกับคิจจักรของเราหรือเปล่าครับที่ผู้ที่อยู่ในสถาบันอยู่ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรองค์การหรือแม้กระทั่งคิจจักรครับเรา ไม่ใส่ใจในการสิ้นประชนของพระงในทางกลับกันเราเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เฉยเมยไม่สนใจพระเจ้าจริงจริงจังๆครับเอาแต่ทะเลาะเบาะแวงกันแสวงหาผลประโยชน์กันเล่นการเมืองกันย่อหยิงอวดดีน่าเกลียดน่าชังมากครับนี่คือสิ่งที่พระกัมพีกล่าวว่าเป็นความผิดบาปและความดื้อรัน้น ดันทุรังข้ามกลางสิ่งเหล่านี้ครับองค์พระผู้เป็นเจ้าอัเมนที่รักยิ่งของเรานั้นท่านจินตนาการได้ไหมครับว่าท่านพระเยซูทำอะไรพระเยซูทรงถอดฉลองพระองค์ออกแล้วเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของโรงและทรงเอาน้ำมาล้างเท้าสาวกของโรงการกระทำเช่นนี้แสดงออกถึงการติดดินครับ แสดงออกถึงการทอมใจอย่างสุดๆของพระเจ้าผู้ทร้งสร้างจักรวาลแผ่นดินโลกพรงจะต้องลงมาล้างเท้าซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่โสโปกที่สุดเราะเท้านั้นอยู่ต่ำและอยู่ติดดินเท้านั้นก็มีแต่ฝุ่นเวลาคนจะเข้าในเรือนจะต้องล้างเท้าีะก่อนครับพี่น้องครับการแสดงการกระทาเช่นนี้ ถือว่าเป็นการถ่อมใจของพระเยซู อ, อย่างสุดๆต่อเหล่าสาวกความจริงแล้วต้องกลับกันใช่ไหมครับพวกเขาเนี่ยน่าจะลางเท้าให้กับพระอาจารย์ของเขาพี่น้องครับเราดูต่อไปนะครับเมื่อมาถึงเปโตรเปโตรบอกว่าข้าพรองค์จะต้องล้างเท้าของพระองค์พระองค์จะทรงล้างเท้าข้าพรองค์ไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมครับเปโตรได้สํานึกในความบาปของท่านเอง นะครับตพรท่านก็อยู่ในกลุ่มที่ถกเถียงเรื่องที่ว่าใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นรองในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูตัดตอบเปโตรว่าอย่างไงครับพระเยซูทรงตัดว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้พระองค์กำลังตัดอย่างนี้ครับเปโตรถ้าท่านปรารถนาที่จะมีสามคัคคีทำกับเราถ้าท่านอยากจะมีส่วนกับเรา ถ้าท่านปรารถนาะความสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมลึกซึ้งระหว่างเราสองคนท่านควรจะยอมให้เราร้างเท้าของท่านพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับถ้าท่านปรารถนาะที่จะมีสามาัคคีทากับเราถ้าท่านอยากมีส่วนในเราถ้าท่านปรารถนาะความสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยมแร ง, แรงกล้าระหว่างเรา ท่านควรจะยอมให้พระเยซูล้างเท้าครับการล้างเท้านั้นเป็นพิธีที่มีความหมายมากในสมัยนี้มีหลายๆคริสตจักรนะครับก็จะมีการปฏิสิทธิสเรื่องการล้างเทา้านะครับอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือบางสถานที่บางแห่งนั้นอาจจะเป็นเดือนละสองครั้งหรือหลายครั้งก็ย่อมได้พี่น้องครับ ถ้าเราปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์อย่างเปี่ยมล้นเราจะต้องยอมให้พระเยซูทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเปโตรตอบพระเยซูว่าไงครับเปโตรตอบพระเยซูว่าพระองค์เจ้าค่ะมิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์การนั้นโปรดล้างทั้งมือและศรีรษะด้วยพระเยซูตรัสว่าผู้ที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชําระกายอีก หรืออีกไงหนึ่งก็คือเปโต้เราต้องการล้างแต่เพียงเท้าของท่านเท่านั้นในคำสนทนานี้มีความจริงในฝ่ายวิ ญ, ญญาณที่สำคัญอยู่ประการที่หนึ่งที่พระเยซูทรงตรัดว่าท่านได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วท่านได้รับการทรงไถ่เรียบร้อยแล้วท่านได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วเราไม่ได้กาลังพูดถึงเรื่องการอาบน้าให้พวกท่านใหม่ แต่เราสนใจตรงประเด็นเลยก็คือว่าสนใจแต่เพียงการชําระสิ่งโสโปรกให้ออกไปจากเท้าของท่านเท่านั้นพี่น้องครับพรปเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรมทรงเป็นผู้ทรงสร้างจั ก, กรวาลและแผ่นดินโลกทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับเราไม่ได้กําลังทุกเอาใจมนุษย์แต่กําลังถวายสรรเสริญโมทนาพระคุณของพระเจ้าครับ เมื่อคนหนึ่งคนใดนะครับยอมที่จะรับการชําระที่มาจากพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อเขาเชื่อไว้วางใจในพระองค์จิตวิญญาณของเขาก็จะได้รับการชําระครับจิตวิญญาณของเขาก็จะได้รับการชําระพวกเขานั้นได้รับการไถ่โทษเชิงสารแล้วครับสิ่งที่จําเป็นตอนนี้ก็คือว่าการให้พระคริสต์จันโลงรักษาพัฒนาความสัมพันธ์อันเต็มเปี่ยม นะครับไว้ด้วยกันโดยการรับใช้ซึ่งกันและกันโดยการล้างเท้าของกันและกันพระเยซูทรงล้างสาวกทุกคนครับเป็นตัวอย่างที่เฉียบคมมากที่ดีมากๆเลยครับที่เราจะต้องออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกของเราเราจะต้องออกไปเพื่อดูแลสมาชิกของเราครับพีน้องครับในหลายหลายที่จักเนี่ยเขาไม่มีการดูแลเยี่ยมเยียนสมาชิก ค, ครับเพราะว่า อยู่หา่างกันห่างไกลกันมากเหลือเกินหรือบางท่านบางคนของศีลญาพิบาล น, นะครับก็จะไม่มีพาราใจในเรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับพี่น้องครับในคําอธิษฐานของเรานะครับเวลาที่เราอธิษฐานขอรับการชำระเมื่อเราอธิษฐานด้วยท่าทีด้วยโปรเซสที่ถูกต้องทันทีที่เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยผลิตของพระเยซูคริสต์นั้นเราก็ได้รับการไถ่โทษในเชิงศาล ซึ่งไม่ยังเป็นต้องได้รับอีกครับแต่การในไปโทษในเชิงสัมพันธภาพจะดําเนินต่อไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตราบเท่าที่เรามีลมหายใจตราบเท่าที่เรายังคงความสัมพันธ์อันเดิมอันเต็มเปี่ยมนั้นอยู่การชําระล้างเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะไม่จําเป็นต้องทําซ้ําอีกสีเดียวครับทั้งเดียวพอแล้วครับแต่การชําระล้างเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังคง มีการทำซ้ำๆซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าในเชิงสารนั้นเราปลอดภัยแล้วครับเราได้รับความรอดแล้วครับแต่ในเชิงสัมพันธภาพนะครับพี่น้องในเชิงสัมพันธานั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับพี่น้องครับการที่เราจะพิสูจ euh. น์ น, น, นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ะกลัวมันไม่เจ็บเรื่องที่หินนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่รทธรรมชาติถ้าเราถูกฝึก แ, แรกๆเราอาี้ย อาจจะสกิจสคงวงนะครับแต่เมื่อเราค่อยๆมีทักษะแล้วเราจะสามารถที่จะใช้ความสัมพันธ์นะครับต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับในคําอธิษฐานของเราหลังจากที่เราขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแล้วนั้นขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไ ป, นปนตามพระไตรปิฎของพระองค์หลังจากนั้นเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ลเลี้ยงฝ่ายร่างกายของเราทุกวันแล้ว เรายังจําเป็นต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่าเท้าของเรายังสกรปรกมากครับกราบใดที่มันยังคงสกรปรกอยู่โดยที่เราไม่สารภาพบาปและกลับใจใหม่เราก็สูญเสียความปราบปลื้มยินดีที่เราควรจะได้รับในความสัมพันธ์อันดื่มดำ่ำอันใกล้ชิดติดสนิท ก, กับพระเจ้าปเปสียเราสูญเสียครับถ้าอะไรครับถ้าเราไม่สารภาพบาปและกลับใจใหม่อย่างแท้จริงพี่น้องครับ ย้อมาดูชีวิตของดาวิดอีกสักเล็กน้อยนะครับเมื่อนาทันได้ทูลต่อพระองว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดยกบาปของท่านแล้วดาวิดเขียนไว้ในสดุดีบทที่32ข้อ5นะครับบอกว่าถ้าพระองสารภาพบาปของข้าพระอง์ต่อพระองและข้าพระองไม่ได้ซ่อนบาปผิดของข้าพระองไว้ข้าพระองจะสารภาพการละเมิดของข้าพระองต่อพระเจ้าพี่น้องครับ ในเช้าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะไขครัวพระจ้าของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูและดําเนินชีวิตต่อไปทุกวันนะครับเพื่อดํารงความสัมพันธ์กับพระเยซูให้ได้เพื่อที่จะเพิ่มพูนพัฒนาความเชื่อความศรัทธาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น กับพระเยสูมากขึ้นเรื่อยๆขอพระเจ้าอวยพระพอรอาเมน